พิธีวางศิลาฤกษกยกเสาเอกเสาโภในการจัดสร้างอาคารสถานที่มหาวิทยายลัยขันกันธณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาเจริญพุทธมนตในพิธีได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวดาผีข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาล น, น้อมด้วย พระสยามเทวาธิราเจ้าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระกาละัยศีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงปารีได้โประะเดเสด็จรับเครื่องสังเวยพรีกรรมบวงสวงอันสาทุชนคนดีทั้งหลายได้น้อมถวายและอนุโมทนาในพิธีเป็นการมงคล น, นี้ด้วยเถิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> สัพพทุกขาวินาสันติสัพพะยาวินาสันติสัพพะโรขาวินาสันติพุทธเตเชะนะธรรมเตเชะนะสังฆเตเชะนะปริวาตตะปฏิทิวาทิโจรัติมาภาจตันดิมาสั้นนติโตขันติยาปฏิยาชาติยาปฏิปรม โ, มโนอัฏฐสัพพมโนระตังพุทโธตปติเตเชะสาติสิทธิกิจจังกิจจานุกิจกิจใดชอบคิดประกอบสร้าง สิจนั้นอย่ารู้ทางฤทธิ์ไรดังประสงค์เทินนาสิทธิกรรมการใดคิดปองฉลองพระเดชาเจ้าลา อย่าคิดอย่าล่าช้าสลิดได้ดังประสงค์ครัเทิน สิทธิการิยตถาคโตพระสัพพัญยูตสรุจบมารสยบปลีกแล้วขออุปัทวอันตรายแคล้วคลาดพ้นผ่านฉะนนั้นนา พิเตโชชโยนิจังเดชเรืองปากฏผู้ทรอยต์ปอง้ายจงกับไพ่แพ้ผ่องพ้นภยัยพานสิทธิลาภะนิรันตลรังลาบทุกสิ่งสันจนนิลังลังล้น ดังนักทีทังผ้นอย่ารู้ขาดสายเลยนะ สัพพสิทธิพะวันตุเตขอสัพพพรทั้งหลายจงประเสริฐแด่ท่านเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานในพิธีพีกรรมยกเสาเอกเสาโทณนะมหาวิทยาลัายขอนแก่นณนะโอกาสนี้จงมีความสุขสวัสดีให้สมดังค่าพร่ำพร้องธนนา อันหนึ่งข้าขอเชิญเทวันผู้รักษาโลกธาตุคือท้าวโลกบาลมหาลาภทั้ง4พระองค์มาอํานวยช่วยดารงพิธีกรรมให้สําเร็จตามกุศลจุดมุ่งมากอันหนึ่งท้าวสตารัฐมหาลาภเลี้ยงเดชประจําอยู่ทิศบุรพาพร้อมด้วยบริวารเหล่าคนทั้งอันกล้าหานมหิตริษท้าววิรุฬห์อันสถิตอยู่ด้านทิศทักษินมีเทพยดาทั้งสิ้นเป็นยกบริวารด้วยเดชาอันกล้าหานบรรลือฤทธ้าววิรุฬห์ปักอันสถิตด้านปจิมทิศมีหมู่พ ยามนาคอันเืียงฤทธิ์เป็นบริวารเท้าโลกาบาลเวรุราชผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อำนาจด้านทิษอุดรมีหมู่อสูรนิกรเหล่ายักษ์สาอันมีมหิทธิฤทธิ์ศักดิ์าเป็นบริวารจัตาโรมหาราชาขอเชิญสู่เท้าโรกาบาลทั้งหลายเท้าวจาตุ้มมหาราชมียศและอำนาจดังพันน า, นาอนุรักษ์ขันตุตรงตามรักษาสัตรบรุตรพุทธบริษัทผู้ประกอบกุศลวัตดในครั้งนี้ ให้ประสบความสวัสดีนิราบโรคเจริญสุขนะรุโศกนะรุษภัยด้วยทุกประการเธอ ตอนี้มนพระตรงตเจริญใช่มังคนครับยานโตพทิยามะยานครับเาชมุสไปทางโ น, โน้นเลยครับผมเพื่อที่จะทำพิธียกแล้วก็ช่วยกันจับได้สายศัดสิ์ด้วยนะครับมันทำพิธียก ตามปานเกสิเสวนตาวิปุสระอาบิเศเกตามปุสตานังปันโทปมโมตันติสุนังการตังสุมังการังสุปะกาตังสุโหติตังสุขโนย ต้นใจเสยทางพระม迦ริสุปทานคินังกายกรรมวานจารกรรมบัตถคินังบัตถนังมนกรรมบัณฑิตเตมบัตถคินังบัตถคินางนิกตะวานัลภันจาเทปทาตถคิน ที okay. ่ได้เป็นตัวองโเคยนอนนี้เ็นยังเนะเอเสร็จมบอให้จำอ สมสังผยอ้ย okay. so. <Ma> <𥋂> ุงอไปเลยลูกแล้ไปเลยค่ะดอกไม้เอาไปเลยลูกหนึ่งอะลูกไปสั่ง Yeah, but I want a good habit. right <laughs> there อ, อันเชอร์เจริญยกยยกยกถ า, ถาดแผ่นซิลาเรกมะครับแล้วนะที่มีดอกไม้นะครับมีดอกไม้ให้วางที่หลังจากโปรยที่เสาเอกและเสโทแล้วก็โปรยที่ที่วางแผ่นซิลาเรกด้วยนะครับอันหนังนะครับ อ, อดอกไม้ดอกไม้มีโปรยนะ ใครๆที่เดินทางตอกไม้มาโปรดขอเชิญท่านท่านคณบุรีนะครับมาวางแผ่นเจเิตรลกที่นะครับ <c oughs> ท่านที่จะเดินร อ, รอตรงนั้นก่อนก็ได้ครับ <c oughs> เอ่เอเตรีมยมไปได้ครับ อ, อันทะี่เดียวไหม ทางนี้หนึ่งครับผมครับทำด้ขยทิศแผ่นเซราเดินด้วยไหมครับผมครับขอบคุครับข้าวไม้ลงไปข้างล่างแล้วครับผมครับขอเชิญท่านค้นาบดีท่านในการบดีลงไปข้างล่างเลยก็ได้ครับผมครับท่านบดีพระเชิญครับอื้อือ ขอทางท่านบร น, นิดหนี่งครับการลงได้ลงลงด้วยก็ได้เขาจะอ่าน ที้ท่านพระอาจาราย์ไพกรริษราบังทําพิธีวางแผ่นเชื้เรือดพร้อมกับอธิการบดีทา่านอธิการบดีแล้วก็รัฐบดีแล้วก็ข้าพเจ้าผู้บริหารนะครับกบท็ทําพิธีเพื่อจะวางแผ่นเชื้อเลือดเรินมลืองคลราชาโชคที่จะลงในอาคารในการกรา่อสร้างอาคารของเราตรงนี้นะครับก็ทําพิธีอยู่นะขั้นตอนกระบวนการ จริงถ้ามีผู้บันทึกไว้นะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของคณารมัมณุตแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีใครบนันทึกไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในการก่อสร้างในการที่จะทําสิ่งตัวนี้เนี่ยนะครับทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเป็นประวัติศาสตร์ที่จะบันทึกไว้นะครับเมื่อเต็กสําเร็จเสร็จสิ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพิธการตอนนี้เป็นการเริ่มต้นในการที่จะสร้างความเป็นสริมงคลสร้า ง, งความเจริญให้กับคณะมนุษย์แล้วก็บุคลากรทั้งหลายนะครับ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มมงคลที่มีความแน่หนาทาวรมีความเป็นตึกแผนดีนะครับเพราะทางฝ่ายคยะโยมแล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าท่านก็ให้ความเมตตาอุเาะห์วนกะ็มาทำพิธีให้กับคณะของเรานะครับ เัื น, นี้เป็นประเภนีนะครับเป็นประเพนีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในวัฒนธรรมประเภณีของไทยเรานะครับ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนในการพิธีตั้งเสาเอกแล้วก็อัญเชิญแผ่นสลาร์เริกนะครับเสร็จเป็นเป็นอันเสร็จพิธีนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปหลังจากที่พวกเราวางเหรียญวางของที่ระลึกของอสําคัญลงในสถานที่เสาเอกแล้วก็แท่นวางสลาร์เริกนะครับต่อไปพระสงฆ์ท่านจ่ายได้อนาโมธนานะครับเพราะเชิญ ข้าราชการบดีคณะผู้บริหารนะครับทุกท่านเตรียมถวายของเจตุปัจัยไทยธ ร, รมนะครับอยู่ที่นั้นนะครับเจตุปัจัยไทยธ ร, รมครับ <c oughs> ขอเชิญผู้บริหารนะครับทุกท่านไปถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมแล้วก็พระสงฆ์จะได้อนุโมทนานะครับ อายนเรียญยนอะไรนะครับมีเรียนมีของดีนะครับเอเพื่อที่จะวางเป็นหลักฐานให้กับคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของเรานะครับอาจารย์คอสเนคัสผมครับขอบพระคุณมากครับครับใครมีเรียนเสศษเรียนนะครับก็มาวางลงเพื่อเี่จะเป็นที่ระลึกเป็นสิริมงคลนกับกับคณะเรานะครับในการร่วมมือรงน้อมใจกันแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานให้กับคณะของเรานะครับ ขอเชิญขอเชิญคณะผู้บริหารนะครับก็มาถวายจะตกัจจัย้ายะถามนะอาจารย์ขอเชิญอาจารย์ครับ ถาวายถวายเตุปกระจายธรรมนะครับช่วงนี้กําลังคณะบระุรุษฐารกําลังถาวายเจตุปกระจายธรรมนะครับเพื่อที่จ ะ, อ, ะอไปต่อสงฆ์จะได้อนุมัตินานะก็เชิญ นักผู้บาอาจารย์ น, รนักนศึกษานะครับเตรียมรับพรจากพระสงฆ์นะครับยาทาวาริวหาปุราปริสุเรนติสางคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ จิตติตังปัตติตังตุ ม, ง ม, มตังคิปเมวสเมจตุสเพปุเรนโุสังกปังยันทุปันระโสยะามะนิชโชติระสโสยะทามะิ ว, วันันสับบงปารโควินาสัตตมันเตปะวะ โยนสุคิทธิกายุกโอมทวารบิวันตันสีรินกนิจังวุฑฐาปัญจยินโนจันตารธรรมะวัตนติอายุวันนสุนคัง คาลังรันตนาใจยานุภาเวนรันตนาใจยาติยัสสัสคาปยาเวราโสกัสตุจุปัสสะวานิคัส สรายาญปิวนาสันตัวสสสตุนจยัยเสติทนานลาภโยีิภากยังสุขังภลังสิร no ิอายุจวันนจัพภุคะวุฑเดชะยสวาสตวันตาจายายกจจิปสสิทธิม ภาวันตุเจภาวันตุสามภะมังกาังรังสามปเจวัตาสามปามปวนานุพาเวนัสธาสุทีภาวันตุเจภวันตุสามภมังกาลังรานตุสามปเจวันตาสมปามา โนภาเวนัสธาทภวนนเตภวนตุสามธรรมังาลังรักชุสามปเทวจานสามปสาานโภาเวนัสทมภานตุส อาประสงให้พรเสร็จแล้วบ่พระพร้อมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับระหังสัมมาสัมพุฎทมพระกวานกุททางพระกวานต่างาปิวาเทมิมสวาคาตอมพระกวัตาธรรมมธา ม, มังนาสามิม โปะตยปนอมพระกะวะตอสวากะสังคอนสร้างทังนมามีเนื่องจากมีอาหารพระทหารถวายพระสงฆ์นะครับก็เดี๋ยวยกยกถวายท่านเลยนะครับเพื่อจะให้ครบพิธีนะครับแล้วก็พระสงฆ์ก็จะได้กลับนะครับเขาเชิญคณะบริหารถวายพระทหารเพนนะซึ่งก็ท่านจะไปฉันทีวัดนะครับก็ แจ้งแจ้งบด้นะคุณร่วมบรรทบไหนะครั บ, ร บ, รบแล้วก็เขอเชิญลูกศิษย์นะครับช่วยยกของนะครับจตุปัจจัยที่จะทำที่ถวายแล้วเนี่ยนะครับขึ้นรถให้กับพระสงฆ์นะรพระสงฆ์ที่ไดมนมานะในะวันนี้เป็น าจากพระสงฆ์จากวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงนะครับรท่านโดยนําโดย ท, ท่านท่านทุบลประเทศพัธมนีนะครับเจา้าทั้งใจังหวัดขอนแก่นธนรยุทธนะครับในจังหวัดขอนแก่นนี้มีพระอารามหลวงอยู่สองวัดนะครับคือวัดศรีจันทร์นะครับแล้วก็วัดธาตุนะครับก็อ่าเป็นพระอารามหลวงนะครับฝ่ายธรรยุทธและพระนิกายนะครับอื <c oughs> เอาขอเชิญใครที่ติดต่อช่เฟอร์รถได้นะให้ให้รถมาเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะประสงค์ครับช่เฟอร์ช่เฟอร์อยู่ไหนครับเอาเอารถเข้ามาที่นี่เลยครับเอารถเข้ามาที่นี่แล้วก็ประสงค์ค ร, รถมาแล้วใช่ไหมหมอรครับ <c oughs> เดี๋ยวร้สิทธิ์เช ย, ยกยก อ่าจตัวประชาธิปไตทนะครับขึ้นรถด้วยนะครับก็ตอนนี้พิธีพิธีทางสงนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ใครจะไปดูไปถ่ายรูปนะครับที่เสาเอกเสาโทนะครับเพื่อเขาเชิญนะครับเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์นะคในการก่อสร้างอาคารเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับเมื่ออาคารขึ้นแล้วเราจะไม่เห็นภาพเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ที่จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับ เยตอนนี้เรียบร้อยครับของพิธีการเรียบร้อยหมดแล้วครับผมครับเราเชิญอ่าคณะผู้บริหารคณะครูบาจารย์ทุกท่านนะครับตามระยะสายนะครับตอนนี้ครับพิธีเรียบร้อยหมดแล้วครับต่อไปก็จะได้ดําเนินการต่อสร้างนับทางช่างทางหลายทั้งหลายก็จะได้สร้างอาคารต่อไปด้วยความสบายใจนะครับเพราะทุกเราทำทุกอย่างได้ถูกต้องนะคตามประเพณีนะครับ ท่านทุกคนก็จะมีความมั่นใจในการที่จะทานะครับการจะเดินดูก่อนไหมครับอาจารย์ครับจะเดันดูก่อนไหมครับ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 พวกเซมายา ก็เชิญพระบริหารถ่ายรูปร่วมกันนะครับพระที่หน้าหน้าประหน้าครับก็เชิญถ่ายรูปร่วมกันนะก็เป็นที่เรียกครับผมครับ เอาไรต้องแค่ป่ะไปโยกไปต้องมาใช่ไหมด จะผ้าของมาั้านของมาจังหวัดาเอามเอามมาเอเอามามามาเอาเมาอเเาามาเอามาอมเมามมอเเาอมาเอมา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 เป็นหน่อยไ้กล้วยทำไรได้ล้วยข่าวอะไนะยน้่ได้นใ่ได้ว้าวด็นไทข ทุค้คนครับ